أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه و م ط ف ا ه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان ا ل ى يوم الدين و س ل م ت س ل م ا كثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركات ในอายะก่อนหน้านี้นอัลลอฮุบฮา ا ن ه และ تعالى ได้เล่าการสอบสวนมนุษย์และยินในวันประโลกซึ่งจะมีคำถามเรียกว่าคำถามตายตัวคำถามที่แน่นอนก่อนที่จะสอบสวน ألم يأذيكم رسول منكم يقصون عليكم آيات وينذرنكم لقاء يومكم هذا บรรดา رسول จากพวกเจ้ามิได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือนี่คำดาานี้คำดามใหญ่ต้องมีการยืนยันว่าพวกเราได้ มีสารจากอัลลอ์มีมีผู้เตือนจากอัลลอ์นี่มามาเตือนพวกเราแล้ววันทีรู้นักมีกุศลนั้คุมอายที่ข้อจาอันศานอัลลอฮ์นี่วันทีรู้นัมีจะเตือนลิกวิอมีคุมฮ่านกันพบอัลลอฮ์ในในวันนี้ในวันเกี่ยว กุศลุน عليكم آياته و َ ذ َٰ ل ِ ك ก مَا อَ ن ْ ك َ ن َ و َ اللَّهَ كَقَدْ أُمِرْ ب ล ه ย و َ ي ُ ن ذ ِ ر ُ ن َّ ك ُ م อ لِقَاءِ يَوْمِ ا ل ْ ق หน้าที่ของบรรดา رسول ในสองอย่างและสองอย่างเนี่ยที่จะทําให้มนุษย์นกระจายในโลกนี้ว่าเขามาโลกนี้เพื่ออะไรต้องทาหน้าที่ยังไงและพระเจ้านี่สั่งสอนว่ายังไงอันนี้อยู่ในคัมภีร์ ที่รัซูลมาบอกและหลังจากนี้จะไปไหนไปทำอะไรมวันเกี่มาที่ก็มาบอกเหมือนกันมีสองอย่างนี้ที่รัซูลมาสอนพวกเรานี่ก็กระจ่างทุกอย่างทุกวิติอดีตของเราชัดมาจากไหนามาจากอะไรปัจจุบันรู้หน้าที่ตรงไหนอนาคตจะเป็นยังไงโอ้ชัดชัดทุกคนก็รู้ตัว แล้วมันยังเป็นเงื่อนไขที่อัลลอสุฮาห์นว่าาตอกย้ำให้เราได้ถือสิทธิ์ถือสิทธิ์ในการรับสารจากอัลลอค์องการจากอัลลอ์คำบีจากอัลลอ์ข้อเตือนจากระซูลที่อัลลอ์ได้ส่งมาต้องถือสิทธิ์มิฉะ่นั้นอัลลอฮ์ทำไมต้องมาพูดย้ำมาตอกย้ำและยืนยันเสมอว่าเป็นกฎเกณฑ์ในการ สอบสวนแล้วลงโทษจะไม่มีการลงโทษมีถามในอายะหนึ่งร้อยสามสิบถามเพื่อให้คนเราเนี่ยทราบอย่างที่บอกว่าเหมือนว่าเราได้นั่งเขาเรียกอะไรนะเรือแห่งเ ร, เรือเวลาเขาเรียกอะไรกันนหนังภนะาษาภาษาฝรั่งเศสะ เอาอะไรง่ายๆหน่อยทำมาชินเครื่องเวลาว<ะ>มันไม่ได้ย้อนนะนี่ไปนู่นนาคนนะย้อนอะไรล่ะเราไปวนเกียร์มาแล้วแล้วไปรู้แล้วไปดูนี่ยอ๋นอนี่ a l l ก็ยงยงงี้นะฮะมันยางงี้นะทไม่นแนไงยงงี้นะแล้วก็กลับมานี่ไงเราอยู่ตรงยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้ไปวนเกีรน ม, มันเสมือน่ะ เราไปอนาคตมาแล้วแล้วก็กลับมามาอยู่ในปัจจุบันรู้แล้วว่านอนาคตเนี่ยมันจะเกิดยังไงถ้าเราทำแบบนี้มันจะเกิด้ะําแบบนี้ mm hmm. ก็เลยมาปรับมาปรับอดีตของเราอนาคตของเราจะได้สมหวังจริงด้วยทา a ม h ชีน นยุคยดิจิตอลเนี่ยไม่น่าจะเรียกมาชีแลมาชีนี่ตอนนี้เขาเขียนนิทานตอนแรกนี่มาชีนหนังเก่าๆนะไม่รู้พวกเรารุ่นหมายน่ทันได้เปล่าถ้าหนังเก่าๆนี่ไอเครื่องนี่เนี่ยหมุนมีเสียงด้วยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ช่วงดิจิตอลกำหนดวันเวลานะสถานที่ คนนี้เขาเขาจินตนาการรุ่นก่อนนะเราขึ้นจะจินตนาการมันแปลกๆไงจินตนาการในปัจจัยที่เขามีตอนนั้นนะเขาก็จินตนาการตามไม่เคยอย่างเงไม่เคยเคยคิดว่ามือถือมันจะเป็นแบบนี้นะไม่เคยในในอดีตนะไม่เคยเคยคิดแล้วแต่ปู่ย่าตาญาติก็เคยมีใครทันในบ่าโทรศัพท์ที่ต้องขายก่อน ไม่ทันนะอนนั้นก่อนก่อนโทรศัพท์ปตัวเบริ่ม ท, ที่หมุนน่ะนะไอหมุนนี่หมุนเบอร์นะไโนแรกเลยอไอรุ่นแรกเนี่ยก่อนที่จะหมุนเบอร์นี่นะต้องไขก่อนใครคิดนะ่ะ ร, รุ่นนะู้นน่ะที่เขามือถือมือถือนี่มันจะเป็นแบบนี้นะก็มีใคิดแต่สิ่งที่มันจะเป็นนเป็นไปใ น, ป น, ป น, ปนอนาคตเนี่ยอัอลลอฮฺบอก บอกว่าหยงละเอียดเลยนี่นี่คือสประคุณของกฏอานที่จะถือว่ามันเป็นมาตรการที่อัลลอฮ์ให้ถือสิทธิในการรับรู้ข้อเตือนเกี่ยวกับคำพีข้อเตือนเกี่ยวกับปรโลกอายะห์1อมเนี่ยมาตอกย้ำแบบแบบเหมือนเป็นสิทธิไม่ใช่เป็นแค่การเล่าบอกนะเป็นสิทธิแดลิกะ ซาลิกะอันเนื่องจากว่านั่นก็เพราะว่าที่ถามยินและอินเนี่ยยินและมนุษยว่ามีไหมรัสูลมายังพวกเจ้าสอนคำพีสอนเรื่องราวของวันปรโลกวันห น, น้าเนี่ยมีไหมที่เลาเรื่องนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าซาลิกะ แคอันนองจกว่าอัลลัมย์คุรรับบุคโมหิคัลกรบิ ظلم และนัวกัฟลนพระเจ้าของเจ้านั้นมิเคยเป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายคือบรรดาเมืองทั้งหลายไม่ใช่เมืองเดียวทั้งหลายนะบรรดาเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่เคยที่จะลงโทษเมืองก็มายถึงว่าเมืองหนึง่งเมืองใดอันนี้ดีกว่า เราจะไม่ทำลายเมืองหนึ่งเมืองใดหรือเมืองทั้งหลายด้วยความอธรรมโดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่รู้อะไรเาฟิลูลงโทษเมืองไม่ถึงว่าลงโทษในโลกดุนยานี้หรือลงโทษในวันเปรโนกโดยที่เขาไม่รู้อีโนอนีลงโทษว่าอะไรเพราะปฏิเสธคำพเีเราไม่ได้รับคำพีนี่ ลงโทษเพราะไม่ไม่ไม่ยอมรับในวันพรโลกอะไม่มีใครมาบอกนี่ไม่มีไม่เคยเนี่ยอัลลอฮ์ที่จะลงโทษในเรื่องนี้ในเรื่องที่อัลลอฮ์ส่งระสุลมาเตือนโดยที่ไม่ได้เตือนจะลงโทษโดยที่ไม่เตือนเลยนะไม่เคยไม่เคยก็หมายถึงว่าจะไม่ปรากฏด้วยจะไม่เป็นจะไม่เป็นเช่นนั้นด้วยในวันเกียร์มะถ้ามีใคร ยินยันนว่าเขาไม่เคยมีมี ر س و มาอย่างเขาเนนาะถ้า Allah บอกว่ามุฮัมมัดเป็น رسول สุดท้ายถ้าคนในยุคนี้บอกว่าก็ฉันไม่เคยมีรสูลมาฉันน่ะไม่ไม่ใช่หมายถึงว่านบีต้องมาเสด็จมาถึงประตูหน้าบ้านของท่านน่ะนะแล้วจะมาเคาะบอกว่าฉันน่ะเป็นจาก Allah นี่มาไม่ใช่สาร ไม่ต้องตัวรัสูลที่มาหาท่านต่สารของรสัสรูเนี่ยเนื้อหาเนี่ยทราบไหมถือว่าใช้ได้แล้วซึ่งในยุคนี้ละในยุคที่มีรสัสรูนะยุคนี้ก็คือไม่มีรัสูแ ล, ลแน่นอนว่านาบีมุฮัมมัดสุดทายแล้หมหรือยุคเทียงมีรัสูลทยอยมานี่นะมีความเป็นไปได้ว่ามีมนุษย์ที่ไม่ได้รับสารเนื้อหาของรัสูลเลย พบระซูลแน่นอนไม่พบและไม่ได้ขาดการพบระซูลอย่างเดียวนะขาดการรับรู้นืหของสารที่ระซูลมาบอกด้วยไ ม, ไ, มไม่รู้เรื่องเลยในยุคนี้มีความเป็นไปได้ไห ม, มตามเกาะตามในปานะ่าเนี่ยอมาซอนนี่ก็บอก่ายังมีแหละไม่ใช่กาแฟตามปตท น, นะไอมาซอนนี่ปา่าไอมาซอนนะ บางคนเราไม่รู้ไนงะมันโซนนี่คือป่าอยู่ที่บราซิลเนี่ยคนนี้กูออร์รังก า, ฟาแฟเหรอใชนั่นนะ่ะป่าที่อยู่ในบราซิลเมีกลุ่มชนหมู่ชนเผ่าที่ทุกคือดูคลิปตัวหนึ่งอะนะสดๆเลยเนี่ยเขาไปถ่ายสดๆเลยนะเอาเลยก็เริ่มไปถ่ายเลยคืออยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแล้วก็พอเหแล้วก็เริ่มมานี่ไอ้นี่เอาหอกแล้วเอาหอกจะมามาเนกี่ยกัเป็นผีหรือเป็นอะไรสักอย่าง คลิปนึงเขาถ่ายสดๆเลยบอกว่าโหนี่ยุค ป, ปัจจุบันนัให้เห็นแก่ตานะแต่ก่อนนู้นเขาเล่านะเขาบอกว่าเกาะอินโดเ น, น, ดนเซียที่เป็นพันเป็นหมื่นเกาะนี้นะมีบางเกาะนี่ออไม่มีได้ยินมานะแต่อันี้เขาถ่ายมาให้ดูเลยนะที่เปอร์เซียที่ที่แอมะซอนก็ <c oughs> มีความเป็นไปได้ในป่าที่แอฟริกามีน่าจะมีน่าจะมี แล้วนะันยิงย่งยิ่งแล้วเลยนะยุคก่อนหน้านี้นะ่ยสมัยที่มีนบีและมรซูก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ที่มันยิ่งกว่านั้นที่อาจจะไม่น่าเชื่อว่าในยุคนบีและมรซูลเนี่ยไม่ใช่ในป่าไม่ใช่ในเกาะ น, นะไม่ในเมืองที่เจริญนี่แหละในเมืองที่มีบรรดาขสัตริย์นี่แหละในเมืองที่มีความเจริญนะมีมีบ้านเรือนมีเค ร, รือหาดมี มีสื่อสารใ น, นายุคนันน้นๆนะนนนนครับมีม้ามีลามีอะไรผานะต่างๆมี <c oughs> มีความเจริระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้รับรู้สารที่มาจากพระเจ้าก็มีความเป็นไปได้ข้เหล่านี้นี่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอ์จะไม่เอาโทษมูลิกะลุรอมูลิกทำลายมาจากฮะลา หันแรกไ้ว่าความพินาศเสียหายคนถืออาวุธถืออะไรที่มันทำลายคนอื่นนะเพราะเราเห็นเขาเรากลัวเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ทำลายท่านรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมรู้สึกสบายใจได้เลย <S <S เดี๋ยวมีรายละเอียดนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้เอาฉากนี้ก่อนนะเาแล้วบอกว่าจะไม่ทำไม่ทำลาย แ, แน่นอนสารเนี่ยอ น, นี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของสารมันก็ต้องมาถึงหูคนที่ได้รับสารก็คือเราแน่นอนไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรานะที่อยู่ตรงนี้เรานี่คือกลุ่มที่รับสารแต่เราพูดถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับสารว่าเขาปลอดภัยจะไม่ถูกทําลายไม่ถูกลงโทษเลย แล้วมันมีประโยชน์อะไรละ่ะคือในเมื่อเราเนี่ยเป็นคนที่รับสารแบนนี้ไงใช่ป่ะรับล้ในเมื่อเราเนี่เป็นคนที่รับสารจากพระเจ้าแล้วว่าจะไม่ทําลายคนที่ไม่รับสารเอา้าแล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนละ่ะนี่คนเยกว่า lazimul faida ทุกประโยคนี่มีทุกประโย ค, ม, โยคมีประโยชน์ ได้นะทุกประโยคทุกคำนี่มีประโยชน์ในเนื้อหาแล้วทุกประโยชน์ของเนื้อหาเนี่ยมันจะมีเนื้อหาทางอ้อมด้วยไม่ใช่เนื้อหาทางตรงสมมติเขาละหมาดอิชาเสร็จแล้วลงไปแล้วแล้วมีคนเจอเราข้างแรงบอกอ้ า, ง า, อาลงมาทําไมอะ่ะอา้าวเขาละหมาเสร็จแล้วเอเแวเอแกขึ้นขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมีเนื้อหาของคาว่าขึ้นไปก็คือขึ้นไปอันนี้คือประโยชน์ของประโยคนะแต่เนื้อหาทางอ้อมขึ้นไปแสดงมันต้องมีอะไรข้างบนมีฉะนั้นเขาจะไม่บอกให้ขึ้นไปอ๋อคือหลังอิชานี่มีบรรยายไงที่แกลงมาทำไมขึ้นไปขึ้นไปก็คือขึ้น แต่เราจะไม่เข้าใจว่าขึ้นอย่างเดียวเราจะเข้าใจว่าขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรเพราะคนแบบนี้มีปัญญาเขาจะไม่บอกว่าขึ้นเปลๆมันต้องมีอะไรอ่ะใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์บอกว่าคนนี้ไม่ได้รับสารนะเขาจะไม่ไม่ถูกลงโทษสำหรับคนที่รับสารถ้าเขาปฏิเสธ ก็จะถูกลงโทษอันนี้นี่คือเนื้อหาหนึ่งทางอ้อมเธอคนนี้ไม่ได้รับสารเขาจะไม่ถูกลงโทษแสดงว่าคนนี้รับสารและปฏิเสธเนี่ยจะถูกลงโทษสองคนนี้ไม่ได้รับสารเขาไมไ่ถูกลงโทษเพราะเขาไม่ได้รับรู้หลักฐานหรือคําสั่งสอนที่จะต้องเอามาปฏิบัติ แล้วเราเป็นคนที่รับสารจรึงต้องเข้าใจว่าคนนี้ไม่ได้รับสารนั้นอาจไม่ได้รับสารอันเนื่องจากว่าคนที่รับสารนี่ไม่ได้นำทําหน้าที่ไปบอกสารให้คนที่ไม่ได้รับสารจรึงเป็นความหมายทางอ้อมว่าไอ้คนนี้ไม่ได้รับสารเนี่ยเราไม่ลงโทษแต่จะอัลลอฮ์จะลงโทษคนที่ไม่ได้นําสารไปบอกคนที่ไม่ได้รับสาร ซึ่งหลักการนี้ก็เอามาจากตัวบทอื่นๆเช่นที่อัลลอฮฺตำหนิบรรดานาบีรอูลบางท่านเช่นนบียูนุสที่ถูกสั่งให้ไปไปดาว่ากลุ่มชนกลุ่มหนึ่งและนบียูนุสรู้สึกว่าจะดาว่าแล้วไม่มีประโยชน์ก็เลยปล่อยพอปล่อยแล้ ว, ล, วล้วก็องโทษ อ y ยาที่อัลลอฮฺยาอิวะร์สุลบัลลิษมะอันซิลาอิเลก้มุลรับสุลเอ๋ยจงแจ้งสิ่งสารที่มาจากเจ้ามาจากพระเจ้าของเจ้าว่าอิลลัมจะ فعل ฝ่าบาลละตริเซลตาถ้าเจ้าไม่ทำหน้าที่ในการบอกสารเนี่ยเจ้าถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ถือว่าบกพร่องในการทาหน้าที่นี่แสดงว่าทุกคนที่รับสารจากอัลลเนี่ย แม้ว่าจะเป็นผู้ที่รับสารโดยตรงคือระซูลหรือผู้ที่ได้รับสารจากราซูลเองก็จะมีหน้าที่บอกเล่าสารต่อให้คนที่ไม่ได้รับสารในท้ายอายะนี้อัลลบอกาโดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่รู้อะไรฆกฟิลูนฟิลู น, ฟ ล, นฟละ กัฟละกัฟละแปว่าเ <c oughs> ผลอไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีใครมาบอกทั้งทั้งที่เขาพยายามที่จะรู้เรื่องแต่ไม่มีใครช่วยให้เขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนื่องจา ก, กว่าเขาบกพร่องในการรู้เรื่อง ผลสุดท้ายก็ถือว่าไม่เรื่องเหมือนกันแต่คนนี้ไม่เรื่องนี่อย่างคนนี่ไม่อย่างคนนี่คนนี้ไม่มีความรู้มีคนที่ขยันศึกษาความรู้แล้วก็ไม่ได้เรียนความรู้มีคนนี่ไม่ได้ไม่ได้ขยันเลยนะก็ไม่ได้ความรู้สองคนนี่ผลเดียวกันใช่ปะแต่ที่มาของเขานี่ไม่เหมือนกันคนนึงขยันแต่ก็ไม่ได้คนหนึงไม่ได้ขยันเลยแต่สุดท้ายทั้งสองคนเนี่ยเาไม่รู้เหมือนกันนะ ทั้งสองคนนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษและมาเทียบในยุค ป, ปัจจุบันหรืออดีตสำหรับคนที่ไม่ขยันเรียนรู้รับรู้สารที่มาจากพระเจ้าเลยในยุค ป, ปัจจุบันถ้าสมมติฐานว่าเนี่ย ในกรุงเทพมหานครเนี่ยในยุคที่มีสมมุติฐานก่อนนะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ อ, ไอีกอย่างนึงสมมุติเพราะเพรา ะ, เพราะสมมุติฐานนี่มันต้องสมมุติโดยปราสจากเงื่อนไขและบัจรัยสมมตุติในกรุงเทพมหานครยุค 4G แล้ว 4.0 แล้วอะไรก่ะเออทำไมแปลกทำไมมัน4ทั้งหมดล่ะทำไมลูกมัน4ไปหมดเลยซะแล้ ว, วยุคยุคที่สีสนินสื่อนี้มันไร้พรมแดน ไปดูถูกคนบ้านนอกไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เ้ยคนบ้านนอกบางอย่างนี่คนบ้านนอกนี่เจริญกว่าคนบ้านในเหตุใดคนบ้านนอกนบางทีเนี่ยก็เจอคนกรุงเทพบืไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนบ้านใน คนบ้านนอกนี่ก็ดูถูกคนบ้านในกันแล้วเขาไปไหนแต่ไหนแล้วมันดูข่าวจังหวัดพะเยาอุย้ยไม่ธรรมดานะจังหวัดพะเยาเขาทำธุรกิจเลี้ยงอาหารปลาเนะี่ยเป็นหนอนชนิดนึงอะไรสักอย่างนะ ดูวออพวกเม่าพะเยานะพะเยานี่ก็นี่อีกหน่อยหนึ่งก็ไปบ้านพวกนี้แล้ว <c oughs> แล้วผมก็ไปดูพะเยาวันอัลลอฮฺคือนั่นแสดงแ ล, และจะให้คนที่ในคิดเหมือนกันผมก็ไม่มีอะไรคนในเมืองใหญ่นะใหม่คนในเมืองใหญ่เนี่ยหาสูตรสี่คูนร้อยแปดคนร้อยอะไรพวกเนี้พวกนี้เก่งถ้าจะมาหาสูตรเอออะไรที่มัน ปลูกพืชผลนนวัตกรรมใหม่ของของเกษียณหรงอะไรเนี่ยคนบ้านในเนี่บเลยไม่เรือ ง, เองอะไรเลยหลอดต้นต้นนี้เขาปลูกทุกถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยเอามาปลูกที่นี่นี่นะ่คนบ้านในนคนกรุงเทพเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเขาถามผมเเช็กนี่ต้นอะไรโายตายตายต้นบา ด, ด, ด, ด, ดูต้นบ ด, นบดูไม่รู้เลยต้ น, ต น, ตน ต้นข้าวูกระทุกที่นะ่ะแต่เราไม่รู้เนชื่ออะไรเรื่องจริงเรื่องจริงรองนี้ไปถามเนี่ยเด็กเด็กที่อยู่กับอยู่กับมือถือตลอดนะ่ะนะไปถามเขาดิผักพืชบางชนิดเนี่ยชื่ออะไรเนะี่ยไม่รู้ให้ไปซื้อผักจากตลาดนี่ไม่ต้องจากห้างนี่แหละไม่ต้องตลาดสดนะนั่นจากห้างไปซื้อผักชีจีนอ่าอะไรใช่อะไรใ ช, ไรใช่ไม่ใช่นะ ฮะถ้ามีเออถ้ามีเขียนก็จบแล้วไม่นี้ดีที่สุดเนี่ยเขาถ่ายรูปแบบนี้ทั้งละแบบนี้ชื่อนี่ก็ไม่ต้องคุยนะไม่ต้องคุยนะไปไปดูแม่ค้าเขาขายอะไรนี่เ อ, เอาอันนี้อันนี้ตามที่เขาส่งในไลนะอันนี้เ อ, อันนี้ไม่รู้ด้วยเนี่ยเขาขายยังไงอ่ะเขาขายเป็นอันเป็นมัดเป็นขีดเนนะี่ย จะเอาเท่าไหรแล้วก็ขายยังไงอ่ะนี่คนบ้านในลุกนี้ไปลนั่นแล้วเขารุ่นรุ่นนี้เขาชอบกินกาแฟใช่ไหมแล้วก็จะมาทำเท่ทำเท่ทารู้เรื่องอันนี้อันนี้ลาเต้ลาเต้เขาใช้อาราบิกา้า มึงรู้เป่าอาเบกาเนี่ยคืออะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกกันในกะรุงรู้ปล่าว่ากาแฟนี่กาแฟเนี่ยอาซอลเนี่ยขมเนี่กาแฟนี่มาจากําอะไรไม่รู้เขาว่าเนื้อหาของความรู้ของเราเนะี่ยผิวทั้งนั้นน่ะภายนอกทั้งนั้นนะถ้านนะว่าสมมุตินะว่าคนในกรุงเทพเนี่ยกนุงเไปนะ ไม่รู้เรื่องอะไรอิสลามอะไรมุฮัมมัดกุรานไม่รู้ทําไมเป็นไปได้นะเขาเคยดูข่าวดูอะไรเรื่อง อ, อิสลามมุฮัมม uh ัดคุรานเขาน้นว่าเขาพูถึงเรื่องเรื่อ ง, อ ง, องทีมบอลอะไรหรือเปล่าความบิดเบี้ยของคนในปัจจุบันนี่มีความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้บางคนยิ่งถ้าคนไทยเนี่ยที่อะไรที่เรื่องที่ไม่ใช่ใกล้ตัวนะผ่านผ่า น, ผ, านผ่านนะครับอย่าว่าคนไทยนะคนอเมริกา สถิตินะครับเขาบอกว่าคนอเมริกาเนี่ยส่วนมากเข า, าคิดวัาคนอเมริกาเนี่ยฝรั่งในฉลาด น, นะไม่ใช่ <c oughs> เขามันมีรายการอันหนึ่งอะแล้วก็เขาตัดเ ป, เป็นคลิปเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ไปถามไปถามคนอเมริกาตั้งแต่ระดับรากหญ้าคนบรร น, นอกคนพวกเค้าบอยอะไรที่ไม่เรื่องกันนะจนไปถึงคนในเมืองนะในเมืองประเทศอิสราเอลอยู่ไหนเยรูซาเล็มอยู่ไหนมะกะอยู่ไหน ชื่อศาสนาสถานของมุสลิมเนี่ยคืออะไรตอบไม่ได้เลยคนมันไม่ได้ตอบไม่ได้เลยนี่คำถามแบบนี้ตอบไม่ได้เลยมันก็เป็นไปได้ถ้าเรารู้ว่าคนไทยในปัจจุบันนี้นะเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาแขกแล้วก็ศาสนาแขกนี้มาจากไหน มาจากอินเดียเพราะคนไทยเนี่ยตระหนักว่าอินเดียนี่มหามหาทวีปอินเดียนี่นะมันคือแหล่งของศาสนาทุกศาสนามาที่ีพุทธอินดูพามาอะไรนี่อิสลามของแขกอ่คงคงไม่ไม่ไม่ไม่หนีพ้นนั่นแหละอินเดียแขกอินเดียอิสลามะนะจริงไหมล่ะจ ร, จ, ร จ, รจริงเจอเองเลยอิสลาม อ, อิสลามนี่ไม่แขกอินเดียไม่ใช่ครับพี่ <c oughs> ไม่ใช่คือถ้ามีแบบนี้เนี่ยแล้ก็แสดงว่าเขาไ ม, ไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าอิสลามนี่มาจากไหนเจ้าของเจ้าภาพของศาสนาอิสลามนี่คืออะไรมีคํายิ่งส่วนมากประชาชนมาคนไทยอะนะอิสลามอนะรุษศาสนาคําพีของอิสลามนี่อะไรอย่าไปฝันนะว่าเขาจะได้คุรานะ 9 9คนไทยทั่วไปอนะอย่าไปฝันนะที่เขาจะตอบว่ากุรอานไม่มีแต่เยอะนไปอีสานไปเหนือดิคัมภีร์ของชาวคริสต์อะไรไบเบิลทำไมอะไก่ชิดมันมีทุกต้นเลยมีป้ายฮะศาสดาของศาสนาคริสเนี่ยะอู้นี่รู้กันเยอะแต่ของของเราเนี่ยคนไทย่รู้ไหมศา ส, สาของ ของของศาสนาอิสลามนี่คือมูฮัมมัดเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่รู้แล้วจะพบว่าคนที่มีข้อมูลอ่ะก็คือส่วนมากคนนี้คุก ค, คีกับมุสลิมแต่คนนี้ไม่มีเพื่อนมุสลิมเลยนะไม่ตมแทบไม่มีข้อมูลเลยแสดงว่าจากสมมติฐานนี่า ม, มันมีความเป็นไปได้ยว่าคนอยู่ในเมืองเจริญนี่นะแล้วก็ไม่ได้รับรู้เรื่องของอิสลาม คนเหล่านี้อยู่ในข่ายอาญาหนีไหมอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษอึมเป็นไปได้ยิ่งแล้วเลยถ้าเขาเหล่านั้นนะรับข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับอิสลามมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นบททดสอบให้พวกเราทุกคนนะได้ประเมินตัวเองว่าอยู่ขั้วไหนอยู่ฝ่ายไหน และกำลังประกาศอะไรอยู่จริงหรือว่าเราไม่รู้โดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่รู้อะไรเราไม่รู้อะไรบ่าจริงรเราเราไม่รู้อะไรบ้าต้องเราต้องมีคำตอบตลอดอดีตนะสมัยฟิริปนที่ขึ้นออกในระเบียงแล้วก็ประชากรนี่มาชุมนุมกัน หน้าวังของฟิราอุนฟิราอุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่ามีพระเจ้าในโลกนี้นอกจากฉันเขาบอกว่าในประชาชนนี่ยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่พูดก็ถูกตัหนี้มั้งกันนะ็นไว่าที่ไม่พูดทำไมมาแต่ฟิราอุนเนี่ยไม่เอาโทษนะไอ้คนนี้ไม่พูดนี่นะไม่เอาโทษ บอกเอ๊ะฉันเนี่คือพระเจ้ามูซานี่ไม่ใช่ต้องด่ามูซาเปล่าคนที่ชอบมูซาเนี่ก็ไม่ยุ่ถ้าเขาไม่พูดใช่ไหมใครที่พูดละ่ะพวกนักเสาีาสลูกน้องของพี่เราที่ออกมาออกมาชื่นชมมูซาชื่นชมศาสนาของนบีมูซาใช่ไหมอ่านั้นลงโทษแล้วก็มีกี่คนล่ะที่เหมือนนักเสีาสนี่ ที่เค้นฟีเราเรก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่พูดที่เราเอาเอ า, เอาเรื่องไหมไม่ได้เอาเรื่องถ้าปัจจุบันนี้มันมันไปไกลแล้วไปไกลกว่าฟิตราวแล้วยิ่งกว่าฟิตราวอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วคนที่อยู่ในบรรยากาศโลกมุสลิมของเราแบบนี้เนี่ยสมมติว่าเขาเพี้ยนไปอ่ะเขาไปเชื่อตามนั้นนะ่ะผมผ ม, มเห็นใจนะโดยส่วนตัวนะเห็นใจถ้าเขาหลงแล้วก็บอกว่า ก็ดฉันรู้ว่าถ้าอิสลามมึงแบบนี้อะนะอิสลามแบบนี้เนี่ยไม่น่านับถือเลยถ้าเขาถ้าเขาศึกษาจริงๆแบบนี้แล้วก็พบข้อมูลของอิสลามอย่างนี้อย่างเดียวมันไม่ไ ม, ไ, มไม่น่าอิสลามไม่น่านับถือเลยแบบนี้อะนะซึ่งหลายคนที่เคยมาสารภาพ ที่ไปที่มาของการรับอิสลามของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นชีวิตแบบเนี้ยบาดหลวงที่เขารับอิสลามหลายคนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาและบางคนที่เป็นบาดหลวงอะนะเาก็ผมเนี่ยเป็นเป็นบาดหลวงที่ศึกษาเรียนรู้อิสลามจากตรรมรานะได้รับรู้ว่าอิสลามนี่เป็นศาสนาที่โดเทียมศา ส, สนาที่ดูถูกสตรีเป็นศาสนาที่ไม่ให้เกียรต ศา ส, สนาอื่นเป็นศาสนาที่สั่งให้ฆ่าคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเชื่อมาอย่างนี้มาด้วยตลอดและมองมุสลิ ม, มว่าเป็นเป็นคนคนเถื่อนน่ะเป็นพวกป า, กาเถื่อนเพราะข่าวทุกวันผนะู้กอการรายอิสลามผู้กอการรายอิสลามผู้กอรายอิสลามฟังมันเป็นทฤษฎีทางสื่อ คืออยากจะให้คนเชื่ออะไรบางอย่างนะไม่ต้องยกหลักฐานแต่พูดพูดทุกวันพูดทุกวันไม่ต้องยกหลักฐานไม่ต้องมีภาพไม่ต้องแม่แต่คอยพูดทุกวันฟังรายการข่าวช่องหนึ่งยังไม่เลิกนะแล้วเดนนี้เนี่ยโจนใต้ในกำลงังงานจนใต้ทําไมอะ่ะใช้กันมาเป็นสิบปีแล้ะ แล้วก็ออกคำสั่งจากคอรมอลหลายชุดในในว่นค่ำนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ใช้เนี่ยจนใต้ในไม่ ใ, ใช้ให้ใช้ผู้อะไรนะก่อความไม่สงบ <c oughs> ฉลาดมากนะคำนี้ผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมันตีความได้ทุกฝ่ายนักการเมืองขายาเสพติดเจ้าหน้าที่ แนวร่วมแบ่งเงีตินเดนพันพอดก่ไม่ก่อความไม่สงบทั้งหมดเนียก็ถือว่าใช้ได้แต่จะไปอ้างว่าโจรใต้ยอย่างเดียวนะไม่แฝงทาไมเพราะมันพิสูจน์ได้เห็นนะว่าก็มีคนที่ก่อความไม่สงบเนีย่ยที่ไม่ใช่คนใต้ก็มีเนาะฉะนั้นจะไปเจาะโจงวดโจรใต้ยอย่างเดียวนะ่ยไม่ใช่แล้วปรากอบด้วยที่ถูกจับนี่ก็ ก, ก็ไม่ได้โจร น, นะไม่ใช่โจร น, นะพตะกรนุ่นนะ่ะ ตอนคอมมิวนิสต์และก็ยุคป่าเปรมมอบให้พลเอกหรือพลเอกชาวลิศบิ๊กจิว๋วให้เคลียรเรื่องเรื่องคอมมิวนิสต์ที่หนีในป่าแล้วก็ไปเคลียแต่ก่อนนู น, นเขาเรียกอะไรอะ่ะฮะจนจีนนี่คนอยู่ในยุคนั้นน่ะจนจีนเขาไม่ได้จนคอมมิวนิสต์นะเขาเรียกจนจีน เขาบอกว่โจรตรงไหนวะเวลาเขามาคุยกั น, นอาจจะเคลียร์ใช่ไหมโจรตรงไหนอ่ะไคขโมยอะไรกองของพวกเมืองไหมเปล่าเขาเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองโจรตรงไหนอ่ะแต่นี่มันเป็นฝ่ายโปรบาการดาของฝ่ายรัฐที่ต้องการด i s c r e d i t เยาวชนที่เรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมในมุมมองของคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมอ่ะนะ แ ต, ต่องการไสิทธิน์นะครับโจีนเพราะตอนนั้นส่วนมากก็เป็นคนจีนโจนจีนแล้วตอนนั้นนะก็มีแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนที่เป็นชาวมาลายูแต่เขาก็ไม่เรียกกันโจนมาลายูเขาเรียกกันโจนใต้โอ้ยโจนตรงไหนอะเรื่องนี้เคลียร์มาแล้วในเมื่อ30มสิปีที่แล้วจึงเป็นข้อบอกลงให้ จนจีนเนี่ยหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยออกจากป่าแล้วก็มาบรรจุในสังคมเล่นการเมืองนะแล้วก็อยู่ในอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องใครที่เคยมีคดีเมียอะไรเนี่ยตกลงกันแล้วแล้วก็ที่หลังนี้เรื่องจนได้เนี่ก็เลิกพูดแล้วนี่ก็ยังหลุดนะผมว่าก็ยังมีหลุดมีหลุดแต่คนทีน่ฟัง เ, เนี่ยเขาไม่รู้อิเนีาก็เขาก็ตาเข า, เขาฟังดํา ตามสื่อสื่อเขาว่ายังไงนะก็ไปตามนั่นน่าสงสารชาวบ้านนะคนเราถึงยุคที่จะมีโอกาสค้นหาเองเราเนี่ยอยากจะเรียนรู้แต่มีคนไม่เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้เองเขานังสื่อ อ, อ่าน อ, อ่านฉันอยากจะไปซื้อหนังสือเองอะเดี๋ยวฉันเลือกให้ อ, อ่านคิดว่าเขาจะได้ข้อมูลที่ตัว ตัวเองต้องการหรือข้อมูลที่คนอื่นต้องการให้เราอ่านพ่อแม่เลี้ยงลูกยังไงแค่แบบนี้แหละเอาเอาการ์ตูนญี่ปุ่นอัดฉีดเอาเกมอัดฉีดลูกจะได้อะไรมโนภาพที่อยู่ในสมองนี่คืออะไรถ้าหากว่าอา่านหนังสือสอฮ า, าว่าเรื่องราวของกุศอ่านอะไร สมองจะมีอะไรอยู่ที่ว่าเราแต่พอเราโตแล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะใครจะไม่หนังสืออา่านได้ไหมฉันอยากจะไปเลือกเองอ น, นี่โอกาสใช่ปะ ม, มันก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเราไปห้องสมุดในโรงเรียนของเราห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของเราห้องสมุด ร, ร้านขายหนังสือเนี่ยเราเลือก สิ่งที่เขามาให้เช่นไปห้องสมุดของจุลาของธรรมศาสตร์อยากจะรู้ความหมายคุรอ่านที่แท้จริงหาหาดลเเล่มเดียวความหมายคุรอ่านคุรอ่านมัจีดโดยลีอัลมะดาลีลาฮูรีก็เดียดนี้แท้แท้เลยเล่มเดียว ความหมายกอ่านภาษาไทยของก๊อดยานีแท้ๆเขมเดียวแล้วทุกคนนี่ยังอยู่นะไอคนนี่เคยมีผี ก, ก๊อดยานีเข้าวะนะมันหายมุดหายไปไหนมาที่เคยว่าอาจารย์มีเหรียก็เป็นก๊อดยานีนะโหกอดเยานีเนี่ยกูอ่านก๊อดยานีความหมายแท้ๆเลยนะทัว่วห้องสมุดทัวประเทศเลยไม่มีใครทําอะไรเลยผมหาไปไหนกันก็นไรู้ คนอยากเจอในคุร์อาร์นะพอไปแล้วไม่มีทางเลือกที่อยู่ในห้องสมุดนี่ ก, ก็อย่างงั้นไม่เป็นไรยุคห้องสมุดนี่มันโบราณโบราณเดี๋ยวนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตห้องเสิร์ชเสิร์ชเซิร์ชเสิร์ชเข้าไปเลยตกลงเราหาสิ่งที่เราต้องการปะ่ะ ไม่เลย Google ที่เป็นที่เป็นเว็บเสิร์ชที่ดีที่สุดนี่นะเขาจะขึ้นอันดับแรกก็คือสิ่งที่คนส่วนมากเขาเข้าเขาเขา้าสมมติว่าเราอยากจะรู้เรื่องราวของอิสลามเราจะไม่เสียเล้วกได้เว็บไซต์ที่เราต้องการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามนะไมมมันจะขึ้นอันดับแรกหรือหน้าแรกนะมันจะขึ้นเว็บที่คนส่วนมากเขาเข้ากัน ซึ่งเว็บนั้นนะอาจจะไม่ใช่เว็บที่เราต้องการก็ได้เห็นไหมทั้งนี้มันเป็นแล้วก็ บ, บางทีเนี่ยมันขึ้นผลเสิรอดนะหนึ่งนละ้าน2 0 8แ0 0หเว็บที่เขาหาได้อะนะเว็บของเราที่ต้องการเนี่ยอาจจะอยู่หน้าที่ส0มรอยที่เราต้องการนะหน้าที่สามรอยแต่เว็บที่มันขึ้นหน้าแรกหน้าสองหน้าสามแล้วเราจะมีเวลาหาหากี่หน้าแล้ว หน้าสามหน้าหนี่นะก็เฉพาะคนที่สวนมากเขาเข้ากันคนที่เข้ากันมากกันอันนี้ที่จะขึ้นอันดับดเดี๋ยวนี้ในโลกอาชาริยะเขาบอกว่าก็เนี่ยจะอาชาริยะมากกว่าถ้าเรารู้เทคนิคในการค้นหาเนี่ยจะได้ค้นหาในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะนะแต่เทคนิคเนี่คนส่วนมากเนี่ยไม่เคยรู้อยุเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนี่โบราณโบราณ ตอนนี้มันยุคโซเชียลเราเป็นสังคมใหญ่เราพบปะใครก็ได้เราอยากรู้อะไรก็ได้ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องขอใเราเราป้อนข้อมูลสมมติว่าเราจบสาธิตรามสมมตินะ อายุสามสิบะเขาก็จะไปหาคนที่ป้อนข้อมูลว่าจบสาธิตตามและอายุสามสิบนะแล้วก็เสนอคุณอาจจะรู้จักคนนี้ค่เออเราบอกว่าเออเขาท้าว่ะคือมันเสนอคนที่เราอยากจะรู้จักจริงๆ ยิ่งถ้าป้อนข้อมูลเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศาสนาเรื่องข่าวเขาก็จะเอาคนที่จบสาทิตรามอายุ30สิบและสนใจเรื่องศาสนามาเสนอคุณอาจจะเจอคนนี้อันนี้โอเคนะแฟร์มั้ยโอเคแต่ a c e บุ๊ k นี่เ้านาเสนอแบบนี้ป่ะตดยวยังไม่พูดเรื่องไลน์นะเอาเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ๊กนี่เสนออย่างนี้ไหม โฆษณาเอ่ยคลิปต่างๆที่มันกระโดดขึ้นมาเอ่ยรวมถึงบุคคลที่เขา้าใจตังอันนี้เป็นสิทธิพิเศษของคนที่มีตังแต่มึงไม่มีตังมึงป้อนข้อมูลฟรีก็ได้ข้อมูลแบบฟรีแต่มีคนเขา้าใจตังใจตังไงอะ่ะฉันอยากได้คนที่จบระสาตราม แล้วก็สนใจเรื่องกีฬาสนใจเรื่องกีฬาบางเอญแล้วก็ใส่สนใจเรื่องกีฬาพี่ที่เขาโดดขึ้นมาชุดกีฬาแบบนี้เราต้องการไหมเราต้องการซื้อมั้เปล่าเราเสียข้อมูลพวกเขาถามถามเราด้วยบริสุทธิ์ใจอะนะสนใจเรื่องอะไรก็กีฬาแล้วาเดี๋ยวนี้นพี่น้องอย่าคิดว่าข้อมูลที่ท่านป้อนเนี่ย ไม่มีค่านะชื่อท่านอย่างเดียวนี่ชื่อนะชื่ออะไรดีเอาชื่อแปลกๆหน่อยชื่อแปลกๆเอาชื่อแปลกๆนเพราะมันมีมีผลจูชื่ออะไรชื่อตาฮะ นี่แหละวิรวัตรวิรวัตรเชื่อวีรวัตรก็วีรวัตรแล้วทำไมอ๋อไม่ใช่มีคุณค่าน่ะมีราคานะมีราคาเธอไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆด้วยแค่มีชื่อบางทีก็เป็น nickname นมเป็นชื่อปลอมไม่ชื่อจริงนะแล้วบางทีก็เป็นชื่อจริงใช่ไหม ชื่อน i c k n มาแล้วมีราคาถ้ายิ่งชื่อจริงเนี่ยมีราคาชื่อวินวัติเกิดที่ไหนนะและยิ่งมีข้อมูลเยอะนะเกิดที่ไหนเรียนที่ไหนและที่หลังในพวกโซเชียลเนี่ยเขาจะบังคับต้องใส่ข้อมูลจะได้สมัครเพราะตะก่อนนู้นน่แค่ชื่อและพันส่วนแล้วก็โอเคละไม่ใช่อันนี้มันมันมีเงื่อนไขเยอะ เกิดที่ไหนจบที่ไหนเรียนอะไรที่ไหนเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเลยะนะบริษัทขายตรงบริษัทขายของแล้วเขาจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะคือเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ศาสตร์ศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลอยู่ลึกซึ้งมากไม่อยากจะบอกว่าแค่ชื่อวีรวัตรนี่นะ เขาจะมีศาสตร์นะในการที่จะหาสารที่ว่าคนที่ตั้งชื่อวีรวัตรเนี่ยมีกี่คนเข า, เาลึกขนาดนั้นนะนะแล้วเกิวีรวัตรถ้าหากว่าคนที่ตั้งชื่ออยู่ในโซนไหนเขาจะวิเคราะห์ลึกกว่านั้นนะอ๋อคนนี้น่าจะมีฐานะนู้นอย่างนี้แล้วก็ไปดูส่วนประกอบของข้อมูลอ๋อนี่เขไปได้ข้อมูลโดยนี้เนี่ย ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่งการเงานนานาานินนะธนาคารอนี่พี่น้องเปิดเผยไม่ได้นะนั่นคือคลังข้อมูลที่เขาต้องการเลยแหละแต่เราเนี่ยข้อมูลคนเดียวเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีค่าแต่เฟซบุ๊กเนี่ยเขามีกี่ชื่อ 4,000 ล้านนะ่ะประชากรโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ็ดนล้านนะ่ะเฟซบุ๊กนี่นะ ถึงเขาบอกว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่จีนไม่ใช่อินเดียแล้วนะประเทศอะไรไปรที่เฟซบุ๊กตะกอนนุ้นน่ะต่อกอนนุ้นน่ะเขาบอกว่าเขาถามว่าประชากรไหนที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าจีนไม่ใช่อินเดียไม่ใช่มันมีประชากรเบาหวานอันนี้ใหญ่ที่สุดอันนี้ใหญ่นะใหญ่กว่าจีนกับอินเดีย Facebook นี่ทำลายสถิติเลยใหญ่กว่าเบาหวานนห่ก็ความดัน บาวานี่ใหญ่เหมือนกันนะข้ามชาติเขามีสี่พันล้านนะสี่พันล้านนี่าจะเป็นสังคมใหญ่ที่เราไม่เราเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลที่เราต้องการใช่ไหมพระกด้วไม่ใช่เลยพระกด้วไม่ใช่เลยโซเชียลมีเดียมโซเชียลคือมันเป็นชื่อที่มีคุณธรรมนะโซเชียลโซเชียล ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นมูลิธิเป็นสมาคมเนี่ยก็สุดไซตี้สมาคมสมาคมก็คือก็คือสังคมเหมือนกันอ่ะใช่ไหอะไรที่มันเป็นคมคมอ่ะประชาคมประชาเนี่ยสังคมสมาคมมันเชิงบวกใช่เปล่าไม่ใช่อังกฤษเนี่ยเมื่อสิบปีนะสิปีนี่ประเทศยใน Facebook นี่ยไม่เท่าไหร่ อังกฤษนี่เมื่อสิบปีในสศรษทีบอกว่าการหย่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะ Facebook าตกลงมันโซเชียลมันทำให้มันน่าจะทำให้มีสังคมเกิดขึ้นที่มาเปล่าเลยมันทำให้สังคมแตกโดยเฉพาะสังคมเล็กยูนิตเล็กๆสามีเข้าเข้าไปใน Facebook ก็แทนที่จะคือแทนที่จะผูกพันกับครอบครัวก็ไปได้ ไปได้ครอบครัวอื่นพังบ้านพังนู่นนะคือคนที่เล่นเฟซบ o ๊กตอนนี้โบราณบราณแต่นี้ล้ายิงแล้วเลยเกือบทุกครั้งที่มีการจัดอีเวนต์น่ะนะก็จะมีคนมาถามเกือบน่าจะทุกครั้งนะไม่สชเกบทุกครั้งก็จะมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนี่ดูสิภรรยาฉันดูสิสามีฉัน ก็ติดต่อไลน์กับคนนโอ้โหนี่มันพี่นาดครอบครัวพี่นาดพ อ, อะไรพ อ, อรพมันไม่แลวนะมันไม่ได้เป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในเทคโนโลยีใหม่ทำให้เราเนี่ยค้นหาความจริงและสัจธรรมอยู่ทั้งหมดที่ผมพูดแล้วก็ย้ำเหลือเกินเพราะอะไรให้เราเนี่ยได้ได้ค้นหาบทบาทของเราบ้างในการ เอาความจริงศัจธรรมไปหาคนอื่นเพราะหากความเจริญเนี่ยมันยิ่งทำให้คนเสียโอกาสในการพบความจริงนะมันเป็นสิ่งท้าทายของเราแล้วลหละเออแทนที่จะเป็นเครื่องมือที่ําให้คนได้รับรู้มากกว่านะั้นคนนัไม่ใช่นั่นไม่ใช่มันเป็นการเสียโอกาสมันเป็นการเสียเปรียบให้คนยิ่งห่างไกลจากศัจธรรมเป็นไปได้ไง a l บกว่าอ ه ลุฮะกะฟิลูนชาวเมืองนี่ไม่รู้ไม่รับรู้มันเป็นไปได้ไงอย่ไม่รับรู้เนี่ยเขามี Facebook เขามี l ลน e เขามีอินเทอร์เน็ตเขามีทีวีเขามีช่องเป็นร้อยรช่องมีช่องบางคนในบ้านเขามีเคเบิลสรช่องละแล้วก็มีดาวเทียมสามรช่องละแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นล้านเป็นพันล้านช่อง แต่ันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ให้สร้างวิชาสร้างคุณงามความดีหรือความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเขาคนส่วนมากที่มี Facebook ใช้ในการศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมเปล่าคนที่มีไลน์เวลาส่วนมากในการเล่นไลน์ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมส่วนมากนี่ไม่ดูดูจากบริการของ ของเจ้าของบริษัทของไลน์นี่บริการนี่ก็ให้มาไรสาระข่าวที่เขาส่งมานี่ไรสาระไรสาระยิ่งยิ่งคนที่เขาส่งข่าวทางไลน์อะนะอะไรที่มันยังก็รู้กันถูกลากมาเข้ากรุบนี้อยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีอะไรเลยก็มีแต่เรื่องไร้สาระมีแต่ Allah سبحانه และก็ให้เกียรติให้ความเป็นธรรมกับมนุษย์บอกว่าถ้าไม่รู้นะมันไม่เอาโทษแต่ก็กำชับคนที่ได้รับรู้สารแล้วเนี่ยว่าจะต้องทำหน้าที่เอาสารเอาคำสังสอนเนี่ยไปบอกไปเล่าให้คนอื่นฟัง ทีนีมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วเราจะทําอะไรจะได้ถือว่าพ้นความบกพร่องในการทําหน้าที่เอาสารของพระเจ้าไปส่งให้คนอื่นจะได้ถือว่าได้ทําหน้าที่ดาว่าได้ทําหน้าที่บอกเล่าแจ้งมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องสาหัสไม่ใช่เรื่องยุ่งยากง่ายนิดเดียว เขานี่ไม่รู้ใช่ไหมที่เขาอัลลอฮ์ไม่เอาด้วยนืเพราะเขาไม่รู้ <c oughs> ก็ทาให้เขารู้ <c oughs> เข า, าทาหน้าที่หละไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ทำให้เขาเนี่ยรู้เรื่องอิสลามทั้งหมดเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องเอาอากิดาเนี่ยไปสอนทุกหมวดทุกเรื่องของอากิดาทั้งหมดเลยไม่ ให้เขาได้รู้ว่ามีอิสลามรู้ว่ามีมูฮัมหมัดรู้ว่ามีครูอารู้ว่ามีศาสมาจากพระเจ้าแค่นี้ทําหน้าที่ถือว่าทําหน้าที่แล้วที่ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะใช้เครื่องมือที่อยู่ในมือเราเนี่ยที่ที่เราที่เราใช้กันอยู่ในเรื่องต่างๆเนี่ยใช้เฟซบุ๊กในการนทำหมากินขายของใช้ไลน์ในการนทำหมากินขายของ ไม่ใช้ Facebook ไม่ใช่อะไรในการสอนคนอื่นบ้างหละใช้เครื่องมือนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อนุโมอกว่าไว้ใช้ได้ในภูมิใจเราใช้ดาวเทียมใช้ทีวีในการสอนเรื่องศาสนาไม่ได้ใช้ในการไทยของภูมิใจยอยู่กันได้ยังไงก็อยู่ด้วยอนุญาตจากคระสงฆ์น้องวาตายแต่ก่อนนู้นเขาท้าเลยนะ มีคนหนึ่งบอกไปหาสปอนเซอร์เป็นเอเจนต์เอเจนต์ที่ในมือเขาเนี่ยมีสปอนเซอร์เป็นล้านๆเลยเขาบอกว่าคุณไปออกอากาศหปีก่อนนะออกเสร็จแล้วหปีแล้วก็มาหาแล้วก็มาหาเขาเพอไวาเช่นนีครบห้าปีนี่ครบ5ปีกำลังเขาวีดีโก พอครบห้าปีแล้วอะนะผมนึกถึงคนคนนี้บอกว่าเราได้ถึงหปีแล้วอะนะถ้ากูไม่ไปและเธอมึงมาขอออกโฆษณาเนี่ยกูจะไม่ให้ทาไมอะเพราะเราต้องกตัญญูนะว่าที่อยู่หปีนี่ไม่ได้อยู่เพราะสปอนเซอร์ไม่ได้อยู่เพราะโฆษณาไม่ได้อยู่เพราะขายของอยู่เพราะเรารับใช้ศาสนาะ ล้วนๆเลยแท้ๆเลยและคนที่สนับสนุนเรานี่คือคนที่อยากจะรับใช้ศาสนาและคนที่เห็นใจว่าเราากรับใช้ศาสนาอะไรที่อยู่ในมือเราอะพี่น้องช่วงนี้ยุคนี้คนที क, क ่ทำงานศาสนาดีน้อยถึงไม่รีกระิบบอกตะโกนลั่น ให้วกนักกุชการที่คอยโจมตีคนอื่นนักกุชาการคนอื่นนี่บอนน้อยๆห น, น่อยก็ได้เนาะคนที่ทํางานศาสนานี่ไม่ไดีเยอะนะคนที่หวงแหนอิสลามแล้วต้องการทํางานศาสนานไม่ไดีเยอะนะเออเขาจะเลอะเทอะเขาจะบิดเบือนเขาจะอะไรนี่ก็ช่างเถอะเพราะไม่ใช่เยอะคนทํางานศาสนานี่น้อยพฉะนั้นแทนที่จะโจมตีทาลายเขานี่เท่ากับเรากําลัง กำลังบันทอนลดโอกาสให้คนรับรู้เรื่องราวของศาสนาอันนี้มันก็จะย้อนมาถึงบทบาทหน้าที่ของเราปะบทบาทหน้าที่ของเราในการเผยแผ่อิสลาไม่ใช่หรอคนที่สอนศาสนานี่้ก็สอนไปดิเฮ้ยขสอนผิดผิดกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องดาว่าเออเขาผิดเบืศาสนา อยาจะไปเตือนไปเลยไปไปเตือนแล้วไปเตือนที่นู่นเลยปะแต่ที่บอกชาวบ้านอย่าไปออกกระดาวะอย่าไปยุ่งกระดาวะเก่งเหรอผมไม่เก่งแล้วไม่ฉลาดนะไม่เก่งและไม่ฉลาดเฮ้ยกลนู่นใช้ไม่ได้กลงนุ่นใช้ไม่ได้นีไม่ฉลาดเลยนะอยากจะเตือนอยากจะปรับปุงนี่ไปเลยไปหาเขาเลยไปเคียรกับเขาเลยมีอะไรผิดนี่บอกเขาในอันนี้สอนนี่มันผิดนี้าไม่มีเตือนชาวบ้านนี่อย่าไป เมืองหนึ่งไม่มีโรงพยาบาลไม่มีศูนย์อณามัยไม่มีไม่มีอะไรเลยมีหมอบ้านหมอบ้านเนี่ยรักษาพิษวิทุกถูกแต่มีก็ก็ดีอ่ะบางคนอ่ะคนขาหักไม่มีไม่มีโรงพยาบาลเลยขานี้เขาก็เอาเออเอามาเอาเอาไม้เอาอะไรนี่ยมามาเป็นมาเป็นเหือกเป็นอะไรเงี้ยแบบมันบ้านอ่ะนะเฮ้ยมันอันตรายมันไม่มันพิดหลักอณามัยหลักแพทย์เอออย่าไปหาเขา ไม่ฉลาดเลยและชาวบ้านจะไม่ฟังด้วยก็ไม่มีหาเรื่องไม่หใครอ๋อใครขาดนี่ก็ช่างไปเลยใช่ไหมก็นี่ไงเฮ้ยดาวะอย่าไปหาอย่าไปออกเขาหน้า ก, กุาแกานี่อย่าไปฟังเขาแล้วสรุปแล้วเนี่ยให้คนที่ทมีกูฟอร์นิกะมึงเป็นกูฟอรอย่างนั้นใช่ไหมไอ้คนนี่ช่วยอ่มึงก็ช่วยอย่างนั้นนะ่ะไม่ต้องไปเรียนนะ่ะแล้วไปหาใครอย่างกูไงแล้วพอละ่ะมึงอะพอะคนเดียวพี่น้อง ชาวกัมพูชาไปยลานี่เขาเรียนอยู่มาถามผมมันก็เช็คทายังไงอ่ะมีมีพี่น้องกัมพูชาที่จบมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียงานขอมเขานี่ช็กตูเรฟีเป็นบิดาช็อารีฟีนี่เป็นยงงนอย่าไปฟังกอร์ดอวี่อย่ไปอนิคุดบทบาของเขาเนี่ท ผมบอกว่ามุสลิมในกัมพูชานี่ประมาณเท่าไหร่ผมไม่ถึงล้านบอกวแล้วกันผู้รู้ในกัมพูชาในประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่รู้ผมบอกว่าพันหนึ่งได้ไหมโอ้เยอะไปผมอกวเอาผมให้ไว้เลยพันหนึ่งสมมติว่าพั น, นถ้ากัมพูชาล้านหนึ่งและผู้รู้เนี่ยพันหนึ่งแสดงว่าผู้รู้หนึ่งคนต้องสอนกี่คนพันคน พอมพอมครูนี่นะเข้าห้องเรียนมีห้าสิบคนนี่นะเป็นลูกจิตแล้วนะออกจากห้องเรียนคนครูเป็นใครเป็นใครพุณไเจอเด็กซนสักห้าคนจากห้าสิบคนนี่ก็ลืมประวัตินันะที่ไปที่ไม่มีไม่เหลือนะ่ะห้าสิบคนนะแล้วแตครูสอนพันคนนะอะไรจะเหลือล่ะ<ฮ>ตกลงหนึ่งพันคนนี่ไม่พอ แล้วแตหนึ่งพันคนนี่นะมัวแต่เรื่องไอ้นี่บิดาไอ้นุบิดาไอ้นั่นฉันไม่ได้ไอ้นั่นฉันไม่ได้แล้วมา่อจะสอนหลักก า, ารเมืกก่ได้ะสอนละหมาดไม่ได้สอนเรื่องเนืกก้อของศ า, าสนกกาเนีกก่เมื่อไรจะสอนล่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคนพุทธในกัมพูชานะมีแค่มุสลิมนะอา้าวแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราละ่ะไอพันคนที่เป็นผู้รู้ที่ต้องสอนต้องดาว่าคนพุทธด้วยนะอีกห้าสิบล้านนะ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยเสดงว่าพวกนี้ไม่เหมี่ยงมากะไรเลย ไม่มีามอะไรเลยพี่น้องดาวะสุดยอดอมีบดาวะคนหนึ่งมีคนอจานนี้คุยหน่อยเรื่อง อ, อย่ามายุ่งกับฉันฉันมีพันล้านคนที่ฉันกำลังคิดว่าฉันจะนำอิสลามไปหาคนไม่ธรรมดาคนมีภารกิจคนมีคนแบกความรับผิดชอบแบบนี้ะนะ ที่น้องดาว่าเขาประชุมกันครั้งหนึ่งเขาบอกเขาตั้งสมมุติฐานดาวานะ่าะเขาตั้งสมมติฐานกันแล้วนะว่าถ้าสมมุติว่ามีประชากรสังคมเกิดขึ้นในดวงจันทร์เขาจะทํำยังไงจะได้ออกดาว่าที่นู่นไม่ธรรมดานะแล้วเราละ่ะอย่าไปอ่านนั้นเต็มเขียวอย่าไปยุ่งในพวกดาว่าี่มีเรื่องสารบัญเรื่องสิวาเรื่องอะไรทั้งนั้น เองได้แค่นี้นะทำให้คนรู้เรื่องง่ายนิดเดียวทางานนะทงานศาสนาทุกอย่างทำงานทุกอย่างอะไรก็ได้ให้คนรู้ว่ามีอิสลามมีอัลลอ์มีมุฮัมมัดมีคุรานทำอะไรก็ได้ในชีวิตให้เป็นคาตอบในวันเกียรมาว่าเราได้ทาหน้าที่รับใช้อิสลาม่าวเป็นีนะครับวอซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอะลัฮิวซัลลัมวะสลมะลัม